ก็ความในจริยาปิฎกต่อจากครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วได้กล่าวถึงการตอบปัญหาทั้ง16ข้อผ่านไปได้4ข้อแล้วเนาะปัญหาข้อแรกบารมีคืออะไรข้อที่2บารมีนี้พ่ออัตถาว่ากอะไรหรือมีความหมายอย่างไร 3. บารมีมีกี่อย่าง 4. ลําดับของบารมีนั้นเป็นอย่างไรทําไมจึงเรียงทานเป็นข้อแรก เป็นต้นน่นะส่วนต่อไปในปัญหาที่ห้าคืออะไรเป็นลักษณะระัปัจปจุปทานและปฐฐานของบารมีคือปัญหาเกี่ยวกับลักษณะที่จตุ ก, กะลักษณะกิจความถึงพร้อมอาการที่ปรากฏและเหตุใกล้พูดถึงลักษณะที่จตุ ก, กะของบารมีเลยว่า พูดถึงบารมีทั้ง10เนี่ยนะโดยไม่แตกต่างกันหมายความว่าบารมีตั้งกต่ทานเป็นต้นถ้าพูดอ ง, งรวมอ ง, งรวมทั้งหมดนั้นบารมีทุกข้อมีการอนุเคราะห์ผู้อื่นเป็นลักษณะคือที่ทำทุกอย่างก็เพราะมีใจกรุณาต่อสัตว์ทั้งหลายคาว่าอนุเคราะห์นั้นเป็นชื่อของกรุณาบรรกิดทั้งหมดของบารมีทุกข้อนั้นจึงทำด้วยความกรุณาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย เพราะว่าเห็นความทุกข์ของสรัรพพสัตทั้งหลายดันั้นกิจของการกระทําบารมีทั้งหมดก็เพราะว่าปราลบุกของสัตว์ทั้งหลายนั้นถ้าไม่มีคุณธรรมเหล่านี้จะช่วยให้สัตว์พ้นจากทุกข์ได้อย่างไรแล้วกิจของบารมีล่ะกิจของเขาก็คือการทําอุปการะต่อผู้อื่นที่สมัยใหม่นิยมใช้บ่อยๆก็คือภารกิจกิจก็คือหน้าที่ใช่ไหมราัศศา์ตัวนั้นเนี่ยแปลว่ากิจจะลกิจ กิจคือการทำอุปการะต่อผู้อื่นนั้นภาระหน้าที่ของผู้บำเพ็ญบารมีก็คือการทำอุปการะต่อผู้อื่นให้ผู้อื่นได้รับอุปการะได้รับประโยชน์สัมปัตติรสก็คือเป็นผู้ที่มีความไม่หวั่นไหวหรื อ, อสัมปัตติรสของบารมีก็คือไม่หวั่นไหวถึงพร้อมด้วยความไม่หวั่นไหวในการเจริญกุศลธรรม กุศลธรรมที่พระโพธิสัตว์ทั้งหลายบำเพ็ญนั้นจะเห็นว่าท่านทำทุกอย่างด้วยความมั่นคงไม่หวั่นไหวไม่เปลี่ยนแปลงนะไม่ว่าเหตุการณ์เหล่านั้นอะไรจะเกิดขึ้นท่านไม่เปลี่ยนแปลงส่วนอาการที่ปรากฏที่เรียกว่าปัจจุปฐานก็คือมีการแสวงหาสิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นอาการปรากฏผลที่ปรากฏออกมาก็คือสัตว์ทั้งหลายได้รับประโยชน์นะได้รับประโยชน์โดยเฉพาะประโยชน์โลกนี้ ประโยชน์อย่างยิ่งในที่สุดก็เพื่อประโยชน์แก่พระนิพพานผลสิ่งที่ท่านสแสวงหาการสแสวงหาประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าประโยชน์อย่างยิ่งจึงเป็นอาการที่ปรากฏส่วนอาการที่ปรากฏอีกอย่างหนึ่งเมื่อบำเพ็ญบารมีจนถึงเต็มเปี่ยมแล้วมีความเป็นพระพุทธเจ้าเป็นอาการปรากฏผลที่ปรากฏจากการบำเพ็ญบารมีก็คือพระ ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะผู้ที่มีคุณธรรมอย่างที่เราสวดกันว่าอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณาสัมปันโนสุกโตโลกวิทูเป็นต้นอันนั้นก็เป็นผลปรากฏหรืออาการปรากฏที่เกิดจากการบำเพ็ญบา ร, รมีของพระองค์ส่วนเหตุใกล้เหตุใกล้ก็คือมีพระมหากรุณาต่อสัตว์ทั้งหลายเป็นกรุณาที่ยิ่งใหญ่ประสงค์จับเื้องสัตว์ให้พ้นจาก สังสารทุกข์คือผู้ที่มีกรุณาทั่วๆไปเนี่นนยนะช่วยให้ผู้อื่นเช่นหิวช่วยให้คนอื่นหายหิวป่วยช่วยให้คนอื่นหายป่วยเขาเดือดร้อนเขายากจนช่วยให้เขาพ้นความยากจนเป็นต้นอันนี้ก็นับว่ามีอุปการะมากอยู่แล้วที่สงสารเขาช่วยเหลือเขาแต่ก็ถ้าเทียบกับบา ร, รมีของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเหตุใกล้ที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าคือพระหมหากรุณานั้นอะ ยิ่งใหญ่กว่านั้นมากมายเพราะว่าช่วยช่วยจริงๆช่วยให้ออกจากอบายทุคติวินิบาตนรกช่วยให้พ้นจากวัตถุทุกทุกที่เกิดในครันทุกที่เกิดในไข่ทุกที่เกิดจากเท่าคลายหรือทุกที่โอปปาติกะในสถานที่ที่ไม่สมควรเป็นต้นแห่งการมีกรุณามีใจที่จะปลดเปลื้องให้ผู้อื่นพ้นจากทุกนั้นเป็นแรงกระตุ้นเป็นเหตุใกล้แห่งการทําบารมีทั้ง10บข้อ อีกในหนึ่งท่านบอกว่ามีความฉลาดในอุบายแห่งกรุณาคือเนื่องจากกรุณาเนี่ยเป็นปัจจัยกรุณาเนี่ยเป็นตัวที่สําคัญมากกรุณานี่เป็นเจ้าของกรุณานี่คือเจ้าของแล้วถามว่ากรุณาที่เป็นเจ้าของเนี่ยกรุณาไปทําอะไรอย่างที่ว่ากรุณาอย่างเดียวช่วยให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ไม่ได้ตัวกรุณาอย่างเดียวนี่ช่วยคนอื่นไม่ได้พันจะต้องมีอุบายจะต้องหาอุบายกรุณาเนี่ยทำให้เกิดขึ้นเป็นเหตุให้ฉลาดในอุบาย เมื่อมีอุบายแล้วเราบอกว่าอุบายที่จะช่วยให้ผู้อื่นพ้นทุกเนี่ยทำยังไงก็ช่วยด้วยการให้ทานรักษาศีลบําเพ็ญคุณงามความดีจนได้เป็นพระพุทธเจ้าไอระหว่างบาเพ็ญบารมีเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าก็ช่วยสรรพสัตว์หาประมาณไม่ได้อยู่แล้วแต่เมื่อเป็นพระพุทธเจ้าแล้วช่วยยิ่งกว่านั้นอีกช่วยเรียกว่าหาประมาณไม่ได้หาที่สุดไม่ได้ หันกรุณานี่ยแหละเป็นเหตุให้เกิดความฉลาดเมื่อมีความฉลาดก็สามารถที่จะเกื้อกูลต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายได้ทีนี้ถ้าแยกแยกบารมีมาแต่ละข้ออย่างเมื่อกี้เนี่ยกล่าวถึงรวมเลยว่าบารมีทุกข้อมีการอนุเคราะห์ผู้อื่นเป็นลักษณะมีกิจคือการทำอุปการะต่อผู้อื่นหรือมีสมบัติคือความไม่หวั่นไหว อาการที่ปรากฏก็คือแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายหรือถ้าปรากฏของการบำเพ็ญบารมีเสร็จก็คือความเป็นพระพุทธเจ้าเหตุใกล้ทั้งหมดก็คือกรุณาหรือกรุณาที่ทําให้ฉลาดแสวงหาอุบายในการประพฤติคุณธรรมทั้งหมดเนี่ยนะจนเป็นเหตุให้ได้เป็นพระพุทธเจ้าทีนี้มาแยกแยกแต่ละข้อนับตั้งแต่ฐานบารมีเป็นต้นลักษณะของฐานบารมี ก็คือเจตนาบริจาคเครื่องอุปกรณ์ของตนเจตนาในการบริจาคอุปกรณ์ทั้งหลายคำว่าอุปกรณ์ก็คือพวกข้าวน้ำผ้าดอกไม้ของหอมประทีปโคมไฟบริจาคปัจจยัยสบริจาคอวัยวะบริจาคทั้งหมดเนี่ยนะเจตนาที่บริจาคนั้นเกิดจากอะไรก็เกิดจากกรุณากรุณาเป็นปัจจัยให้เกิดปัญญานี่นะปัญญาก็เกิดขึ้นบอกว่า ต้งบริจาคนะอย่างพระโพธิสัตว์คือผู้ที่ปรารถนาที่จะช่วยให้ผู้อื่นพ้นทุกข์พระองค์ผู้ประสงค์จะช่วยให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ใจอยากจะช่วยให้ผู้อื่นพ้นทุกข์เนี่ยนะอย่างสมมุติให้เห็นคนเขาหิวอยู่เนี่ยเขาทุกข์อยู่อาหารก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีสักอย่างแต่อยากให้เขาอิ่มเนี่ยทำไงก็ต้องมีวิธีการว่าทํำยังไงจึงจะมีเข้าของก่อนมีปัจจัยก่อนเมื่อมีปัจจัยแล้วจะได้เอาปัจจัยเหล่านั้น ไปให้ทานจะได้สแสวงหาปัจจัยเหล่านั้นเพื่อที่จะให้ทานเปรียบเหมือนอย่างว่าพ่อแม่ทั้งหลายเห็นความอดอยากหิวโหยของลูกนะก็บอกเออถ้าหากว่ามานั่งกันอยู่เฉยๆอย่างนี้แล้วลูกจะอิ่มได้ยังไงก็ต้องทามาหากินนะจะต้องขยันทาการงานเมื่อทำการงานเสร็จแล้วจะได้เอาของที่ได้จากแรงงานทั้งหมดนี้ไปไปให้เขาไปช่วยเหลือเขาให้เขาพ้นจากทุกข์ พันฐานบารมีก็คือตัวเจตนาที่มุ่งบริจาคแต่การบริจาคนั้นบริจาคอย่างมีปัญญาประกอบบริจาคแบบมีญาณสัมปยุตแล้วก็เกิดจากกรุณาเป็นตัดใ จ, จเป็นเหตุใกล้อันนี้ลักษณะของฐานบารมีนะลักษณะของฐานบารมีนั้นมุ่งบริจาคเป็นลักษณะบริจาคะปริณิปรวรอบจาค่ะคือการสละ ปริจาคาก็คือเสียสละโดยรอบสละแบบไม่เหลือจริงๆเนี่ยนะสละทั้งบาปอากุศลภายในสละทั้งวัตถุภายนอกออกไปจริงๆส่วนศีลศีละบารมีเนี่ยนะก็แบ่งออกเป็นสองอย่างคือจารีตกับวารีศีลนั้นลักษณะของศีลก็คือกายสุจริตกับวจีสุจริตนั่นเอง พันลักษณะของศีลบารมีก็คือการประพฤติกายาสุจริญกับวจีสุจริตนั่นเองทั้นโดยอัถฐของศีลก็คือแบ่งออกเป็นสองกลุ่มนะคือจารีตศีลกับวารีตศีนส่วนที่เป็นวารีตศีนนั้นก็คือการเว้นจากสิ่งที่ไม่ควรทําทั้งหมดอะไรที่ไม่ควรทําความเลวร้ายใดๆที่ไม่ควรทําควรออกควรห่างควรละควรเวน้วเวนก็เว้นจาก ทูตเจริญเหล่านั้นทั้งหมดสิ่งใดที่ควรกระทําสิ่งนั้นก็ต้องกระทําอย่างเช่นปาณาติบาตไม่ควรทําโดยส่วนเดียวอธินนาธานกาเมสุมิจฉาจาร์มุสาวาตเ ด, ด่มสุราเป็นต้นนะหรือว่าจีทูตเจริญทั้งหมดไม่ควรทําโดยส่วนเดียวพันลักษณะของศีลก็คือกําจัดความ ไม่ทําหรือเราไม่ทําในสิ่งที่ไม่ควรทําเหล่านั้นคุณธรรมที่มาป้องกันปกปักรักษาไม่ให้กระทําสิ่งเหล่านั้น่ะลักษณะตัวนั้นแหละคือศีลคือทําให้เวน้ขนขณะเดียวกันก็ไม่ใช่ว่าปล่อยปละละเลยแต่หันมาประพฤติสิ่งที่ควรกระทําควรประพฤติสิ่งที่ควรทําก็คือจารีตจารีตเพราะมนุษย์เนี่ยมันไม่ใช่อยู่คนเดียวใช่ไหมมันมีสิ่งแวดล้อมสมมติถ้าเรามีครอบครัวแล้วทําไง จารีตก็คือต้องเลี้ยงดูครอบครัวถ้ามีพ่อมีแม่จารีตก็คือการเลี้ยงดูพ่อแม่บำรุงพ่อแม่ถามว่าถ้ามีบริวารก็ต้องสงเคราะห์บริวารถ้ามีญาติก็สงเคราะห์ญาติเรียกว่าประพฤติตามหลักทิศหกอย่างสมบูรณ์นั่นเองลักษณะของจารีตว่าทิศเบื้องหน้าคือคือใครคือพ่อแม่ทิฏเครื่องขวาคือ ครูอาจารย์<ม>ทิศเบื้องหลังคือบุตรภริยาทิศเบื้องซ้ายคือมิสหายทิศเบื้องบนคือสมณพราหมณ์เมื่อรู้จักทิศทั้ง6เนี่ยนะจะต้องปฏิบัติตามทิศเบื้องล่างคือธาตุกรรมกรเมื่อรู้จักทิศทั้ง6ได้เป็นอย่างดีนั่นแหละการประพฤติตามที่ถกนั่นแหละเรียกว่าเป็นผู้ที่มีจารีตศีลเป็นอย่างดีเพราะว่าอะไรสิ่งใดที่ควรประพฤติควรปฏิบัติ น, นะนะทวนอีกครั้งหนึ่งว่าทิศเบื้องหน้าคือบิดามารดา บิดามารดาผู้ที่ต้องบำรุงนั้นจะต้องบำรุงอย่างไรเป็นต้นเทิศเบื้องขวาคือครูอาจารย์จะต้องประพฤติปฏิบัติกับบุคคลที่เป็นครูอาจารย์อย่างไรเทศเบื้องหลังคือบุตรภริยาเนี่ยนะคนที่อยู่ข้างหลังจะต้องช่วยเหลือเกื้อกูลสงเคราะห์เขาช่วยเหลือเขาอย่างไรเป็นการอนุเคราะห์เขาจริงๆรเนี่ยนะทิศเบื้องซ้ายคือมิตรสหายเนี่ยนะเพื่อนฝูงควรจะเกี่ยวข้องกันอย่างไรใกล้เกินไปก็ ไม่ดีห่างเกินไปก็ไม่ดีทีนเทศเบื้องบนคือสมณะพราหมณ์ผู้ทรงศีลทั้งหลายเราควรประพฤติปฏิบัติอย่างไรตลอดจนถึงทิศสุดท้ายคือเบื้องล่างบริวารข้าทาสกรรมกรผู้ที่ช่วยเหลือเกื้อกูลการงานของเราทั้งหลายเราต้องตอบแทนเขาอย่างไรสงเคราะห์อนุเคราะห์เขาอย่างไรเจตนาที่เป็นเหตุให้เว้นจากความชั่วต่างๆเหล่านี้ให้ไปประพฤติในคุณงามความดี ที่เรียกว่าเป็นจารีตกับวารีตเนี่ยนะสิ่งที่ควรเว้นกับสิ่งที่ควรปฏิบัติจะต้องทําอย่างไรอันนั้นแหละเป็นลักษณะของศีลบารมีเพราะศีลไม่ใช่เว้นอย่างเดียวไม่ทําอะไรนั่งเฉยๆแล้วก็เป็นศีลไปหมดก็ไม่ใช่ก็ต้องเว้นสิ่งที่ควรเว้นไปประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ควรกระทําจึงเป็นลักษณะของศีลส่วนลักษณะของเนคขมมากก็คือความคิดที่เกิดขึ้น ความคิดเพื่อที่จะออกจากภพมีการมาพบเป็นต้นโดยการเห็นโทษเป็นอันดับแรกันทว่าโทษของการเกิดในภพนี่เป็นอะไระทุกของการเกิดเนี่ยนะทุกเรื่งการเกิดทุ ก, อ, ก, ก, ท ก, อ, กอยู่ในคันทุกที่คลอดออกจากคันทุกที่เกิดจากการบริหารคันทุกที่คลอดจากคันแล้วก็ทุกที่สู่โลกภายนอกทุกเพราะไหนจะต้องสแสวงหาปัจจัยเป็นเครื่อง เลี้ยงดูทุกเพราะเบียดเบียนตัวเองไหนทุกเพราะได้รับการเบียดเบียนจากผู้อื่นเนี่ยนยีทุกในมนุษย์แล้วถามว่าทุกในอาบายนรกเปรตอสุรกายเดราชาจะทุกขนาดไหนพราะเนื่องจากเห็นพิษภัยทุกโทษของอบายเห็นโทษภัยของอการมัสุขติทั้งหลายใจก็น้อมไปเพื่อจะออกใจที่น้อมไปเพื่อจะออกจากกามาพบเหล่านี้เรียกว่าเนคข ม, มะบารมีคือใจนี้มุ่งจะออกโดยส่วนเดียว เปรียบเหมือนอะไรราชสีที่ไม่ยินดีในกรงทองเขาบอกงั้นต่อไปบา ร, รมีอย่างที่สี่ก็คือปัญญาบา ร, รมีปัญญาบา ร, รมีนั้นมีลักษณะเข้าใจถึงลักษณะความพิเศษหรือลักษณะที่เสมอกันหมายคือว่าปัญญานี้รู้จักวิเศษ ส, สภาวะหรือปัจจตสภาวะของสังคตะธรรมทั้งหลายว่าสังคตะธรรมทั้งหลายแต่ละอย่างมีลักษณะอย่างไร ลักษณะเฉพาะตัวเฉพาะตัวของสังคตะธรรมแต่ละอย่างเป็นอย่างไรเช่นลักษณะของภูตรูปแต่ละอย่างเป็นอย่างไรลักษณะของอุปาทายรูปแต่ละอย่างนั้นเป็นอย่างไรลักษณะของจิตเจตสิกเป็นต้นนั้นเป็นอย่างไรนะลักษณะของสังคตะธรรมที่อยู่ในการมาพบเป็นต้นแต่ละอย่างนั้นเป็นอย่างไรที่หยาบละเอียดเลวประณีตเป็นต้นเนี่ยนะแยกแยะลักษณะความแตกต่างกันได้อย่างละเอียด ขณะเดียวกันก็รู้จักความเสมอกันของสังคตะธรรมทั้งหลายนะสังคตะธรรมที่มีความเสมอกันในความไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วเป็นอนัตตาพี่แบบง่ายๆก็คืออย่างนี้คนในโลกนี้เกิดมามีใครหน้าตาเหมือนกันบ้างมีใครหน้าตาเหมือนก็นรู้ความแตกต่างแห่งแม้กระทั่งสีเหล่านี้ไอเหมือนกันละ่ะต่างกันก็คือหน้าตารูปร่างสวดทรงเป็นต้นไม่เหมือนกันและที่เหมือนกันละ่ะเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันนี่ยนะ เรียกว่ารู้ความต่างแล้วก็รู้ความเหมือนว่าต่างในส่วนไหนแล้วก <shrimp> ็เหมือนในส่วนไหนของสังขารธรรมทั้งหลายของสังคตธรรมทั้งหลายทีนี้นัยะอีกนัยะหนึ่งก็เช่นว่าลักษณะที่แตกต่างกันระหว่างกุศลกับอกุศลลักษณะที่แตกต่างกันแห่งทานกุศลศีอกุศลภาวนากุศลเป็นต้นลักษณะที่แตกต่างกันแห่งอกุศลเช่นอกุศลกรรมบทเป็นต้นหรือลักษณะของอุปิเลณ แล้วก็เมื่อรู้ลักษณะแห่งกุศลอกุศลทั้งหลายเหล่านี้ก็ยังรู้ว่ากุศลอกุศลเหล่านี้เป็นปัจจัยอย่างไรมีผลต่อไปอย่างไรปัญญาที่มีความเข้าใจทราบซึ้ง น, นะแยกแยะลักษณะเหล่านี้ได้ทั้งหมดทั้งความดีความชั่วเป็นต้นเนี่ยนะจนสามารถถือเอาแต่ธรรมะที่เป็นฝ่ายดีทิ้งธรรมะที่เป็น ฝ่ายชั่วเข้าไปรอบรู้ในกองแห่งสังคตธรรมทั้งหลายอันนั้นแหละเป็นลักษณะของปัญญาที่เรียกว่ารู้โดยประการต่างๆส่วนวิริยะบารมีนั้นมีลักษณะการปราลบถึงประโยชน์ของผู้อื่นด้วยกายและจิตทําทุกอย่างก็เพื่อประโยชน์แก่สัตว์อื่นนั่นนะทั้งแรงกายและแรงใจเรว่าด้วยกําลังกายและกําลังใจภาคเพียนเกื้อกูลช่วยเหลือ เรีว่าทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจในการเจริญกุศลเพราะอย่าลืมว่ากิจกรรมในการช่วยเหลือนั้นถือเอากุศลเป็นหลักเพราะว่ากุศลนั้นเป็นการไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เบียดเบียนทั้งสองฝ่ายถ้าหากว่าคิดว่าเราช่วยเหลือคนอื่นแล้วทําอกุศลเนี่ยนะเป็นการช่วยจริงไหมก็บอกไม่จริงเพราะเบียดเบียนตนเบียดเบียนผู้อื่นและเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายท่าน การปรารบความเพียรเพื่อที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายก็ต้องทําด้วยกายและจิตที่เป็นกุศลกายก็คือหมายความว่ากายที่มีกุศ ล, ลจิตเป็นสมุทฐานกุศลจิตเป็นปัใจจัยในการช่วยเหลือผู้อื่นการช่วยเหลือก็ทําให้สัตว์อื่นนั้นได้รับประโยชน์อย่าลืมว่าประโยชน์มี3อย่างประโยชน์โลกนี้ประโยชน์ โ, ชนโลกหน้าแล้วก็ประโยชน์อย่างยิ่งประโยชน์โลกนี้คืออะไรก็คือปัจใจสี่ทั้งหลายประโยชน์โลกนี้คือปัจใจสี่ เอาแล้วยานพาหนะอยู่ส่วนไหนก็อยู่ในส่วนเสนาสนะนับเนื่องในเสนาสนะทั้นประโยชน์คือปัจจัยสี่เหล่านี้นี่แหละที่เป็นประโยชน์ของการดํารงชีพยอยู่ในปัจจุบันทีนี้ถามว่าปัจจัยสี่เหล่านั้นจะเกิดได้อย่างไรสมัยนี้ก็เกิดจากการซื้อขายกว่าจะได้มีปัจจัยสี่นี้การที่จะมีการซื้อขายก็ต้องมีรายได้ที่เป็นแก้แหวนเงินทองเป็นต้นเมื่อมีรายได้ก็มีการซื้อขายวันไอสิ่งที่ทําทั้งหมดก็เพื่อประโยชน์แก่ ปัจจัย่มันเมื่อทําทุกอย่างเพื่อประโยชน์แก่ปัจจัย4ผู้ใดที่สมบูรณ์ด้วยปัจจัย4ก็เรียกว่าผู้ที่ได้รับประโยชน์ในโลกนี้ผลประโยชน์ในโลกนี้กว่าจะได้ก็ต้องได้ด้วยความภาคเพียรพยายามเหมือนกันและประโยชน์โลกหน้าล่ะคือคือประโยชน์โลกนี้เนี่ยนะถ้ามองเห็นมันมันมันจำต้องใช้จําต้องดํารงอยู่ในโลกก็เหน็ดเหนื่อยทีนี้ขณะเดียวกันทํำยังไงไม่ให้ขัดต่อประโยชน์โลกหน้าที่จะได้รับประโยชน์ใน โลกหน้าคำว่าโลกหน้าก็หลายๆพบหลายๆชาติโดยที่ไม่มีทุกข์มีโทษมีภัยในการดำเนินชีวิตเป็นไปแล้วก็อันสุดท้ายก็คือยังไงเป็นฐานแห่งการตรัสรู้ธรรมที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะดำเนินชีวิตอย่างไรปฏิบัติเจริญกุศลธรรมอย่างไรที่จะเข้าถึงประโยชน์อย่างยิ่งแทงตลอดพระนิพพานอันเป็นที่สุดแห่งวัตทุกเนี่ยนะ การที่จะสแสวงหาประโยชน์เหล่านี้ลําพังให้แก่ตัวเองนี่ก็ถือว่าเหน็ดเหนื่อยเต็มทีอยู่แล้วใช่ไหมประโยชน์โลกนี้สแสวงหาปัจจัยที่จะเลี้ยงดูตัวเองก็ถือว่าไม่ไม่ง่ายสักเท่าไหร่และปัญหาว่าต้องเลี้ยงดูคนอื่นด้วยสิจะเหนื่อยขนาดไหนและ ข, ขาดเดียวกันเนี่ยไอแสวงหาเพื่อเลี้ยงตัวเองเลี้ยงผู้อื่นให้กินอิ่มนอนหลับแค่ชาตินี้ก็ไม่น่านเป็นห่วงสักเท่าไหร่ใช่ไหม อีกไม่กี่ปีเพราะมีสติมีปัญญามีความเป็นมนุษย์เนี้ยเอรชาติหน้าแนะาปัญหาจะไปขัดแย้งกับประโยชน์ชาติหน้าซะอีกแก้ปัญหาถามองแบบรายวันไปก็บอกว่าแก้ปัญหาวันนี้ไม่ยากแต่แล้วพรุ่งนี้อะไรจะเกิดขึ้นกันเนี่ยนะแล้วแก้ปัญหาไม่ให้มันขัดกับปรเรือนนี้เดือนหน้าไม่ขัดกับปีหน้าไม่ขัดกับยี่สิบาปีไม่ขัดกับชาติหน้าแล้วไม่ขัดกับหลายหลายชาต บางทีนะมานั่งนึกดูว่าไอชาติหน้าไม่น่ากลัวไอกลัวชาติที่สามไปอีกชาติหน้าไม่น่ากลัวเพราะชาตินี้เรามีสาระใช่ไหมก่อนนี้เราก็สมาทานอธิษฐานยังไงขอให้มีพระรัตนตรัยเป็นอารมณ์ชาติหน้าไปดีแน่ทีนี้ชาติหน้าไม่มีศาสนาแล้วเขาเนี้จะทําไงเอาชาติหน้าไม่มีพระพุทธเจ้าแล้วไปนับถือใครคขาเนี่แล้วชาติที่นับชาตินี้ชาตหนึ่งชาติหน้าชาติที่สองไอสามสี่ห้าไปแล้วอะไรจะเกิดขึ้นคราวนี้ก็ จบเลยวตตะนั่นนะหมายค่าว่าเลิกทําบุญเลยทําแต่ทําบาปถามว่าโอ๊ยไม่หรอกอเรานคนดีืเก่งจังเลยเนาะสังเกตก็ดูศึกษาทํามากยังแบ่งเวลาไปเป็นอาคุส น, น่าไม่ต้องไปพูดถึงอะไรนะไม่พูดถึงตอนที่ชาติไม่มีศาสนาหรกชาติที่มีศาสนายังแบ่งเวลาไปทําอาคุส น, น่าตั้งเยอะแยะเลยแล้วชาติที่มีศาสนาไม่มีศาสนาเล ย, ยจะเป็นอย่างไรชาติที่พอรู้บุญรู้บาปยัง ยังแบ่งใจไปทำบาปได้บ้างนะยังแอบแบ่งใจไปโกรธคนนั้นทีไปตำหนิคนนี้ทีมีแต่ไม่ดีเมือนเราเลยอะไรง้ยนะก็ยังมีเวลาไปตำหนิคนอื่นเอาแล้วถ้าไม่มีาศาสนาอะไรจะเกิดขึ้นนะก็ต้องภากเพียรพยายามให้เต็มที่เลยตั้งอัตตสัมมาปณิที่ให้ดีๆเนี่ยนะนะไม่งั้นก็เดินไปเหยียบกองไฟเนะอะงั้นเนี่ยไอ้การที่พระโพธิสัตว์เนี่ยนะนะผู้ที่ประกอบด้วยคุณธรรมเหล่านี้เนะี่ย ไอ้ลำพังทําแก่ตัวเองนี่ก็ถือว่ายากอยู่แล้วอย่างที่กล่าวไปผู้ที่คิดจะออกจากวัตฏะด้วยลําพังของตนก็ยากอยู่แล้วแล้วขณะเดียวกันมีความรู้สึกว่าต้องรับผิดชอบคนอื่นด้วยกรุณาเนี่ยนะด้วยใจกรุณาพ่านภาระเหล่านี้เกิดจากความกรุณามันจะต้องภาคเพียรพยายามแค่ไหนเพื่อที่จ ะ, ะให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์ทีนี้ไอ้ข้อต่อไปนี้เห็นชัดเลยว่าไอ้การจะช่วยเหลือเพื่อประโยชน์แก่สัตว์อื่นเอาไงวะ ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนหรือปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่นเนี่ยนะมันได้ ง, ง่ายไหมละ่ะไม่เพราะจะต้องไปเจอสัตว์และสังขารที่ให้ทุกข์ให้โทษอยู่ตลอดเวลาไปเจอสัตว์ที่พร้อมที่จะให้โทษเราอยู่ตลอดเวลาเช่นอย่างว่าถ้าเดินผ่านกรงสุนัขอะไรสุนัข ก, ก็เห่าใช่ไหมพูดเพราะหน่อยนะนี่พูดเพราะมัง่งถ้าผ่านกรงสุนัขสุนัข ก, ก็หอนเหมือนทาหอนก็คอยยั่วเหน่อ ย, อยเห่าเลยดิถ้าผ่าน ที่ที่ยุงมันเยอะยุงก็กัดมันมีฟันด้วยเนะั่ยุงเนาะเอาก็ใช้ก็กัดไงมันจิ้มเอานะแต่ในสำนวนนะนี้ถามว่าถ้าไปเจอนักเล็กคนผานอ่ะเขาชื่นชมเราไหมไ ม, ไม่เนี่ยนะถ้าไปเจอคนผานเจอคนที่เรียกว่าเป็นฆ่าศึกศัตรูคู่เวรกันมาแต่ชาติปางไหนก็ไม่รู้ฆ่าศึกโดยชนชาติาศาสนาเป็นต้นเนี่ยเขาจะอวยชัยไอ้พรเราไหมไม่เนี่ยนะ ค่าสึกการแข่งขันมันเจอสิ่งที่เป็นเป็นค่าศึกศัตรูก็ต้องคอยอดกลั้นทุกโทษอย่างว่าคนที่จะให้ทานได้เนี่ยคนอดทนสูงมากนะจึงจะให้ทานได้ไอ้ให้ครั้งเดียวเนี่ยนะแต่แบบหมายว่าอย่างถ้าให้สตังก็ไม่ค่อยยากควักเสร็จก็ให้ได้เลยครั้งเดียวนั้นไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่กัดฟันสักครั้งหนึ่งนะเรียบร้อยเนละแต่ปัญหาว่าต้องให้บ่อยให้ให้ประจําแล้วก็ให้ต่อเนื่องอันนั้นไงถ้าถามว่าถ้าหุงข้าวใส่บาตเองแล้ว ไ้ครั้งเดียวเนี่ยนะถ้ากําลังทานอยู่แล้วแบ่งให้นี่ไม่ค่อยยากเท่าไร่แต่ถามว่าต้อ ง, ต, องต้องรับภาระในการหุงต้มเพื่อเลี้ยงคนอื่นเลี้ยงทุกวันเป็นต้นเนี่ยนะจะเหนื่อยขนาดไหนพันจะต้องมีความอดทนขนาดไหนแต่ละคนเนี่ยเข้ามาก็ไม่มเออหมายถาว่าคนที่จะให้ทานก็ไม่ใช่ว่าจะทําได้ง่ายๆใช่ไหมเพราะองค์ประกอบของสมมติข้าวหม้อหนึ่งกว่าจะเป็นข้าวหม้อหนึ่งมันง่ายไหมแล้วเอานไหม กว่าจะมีกับข้าวแต่ละอย่างมาตั้งบนโต๊ะนี่ง่ายไหมกว่าจะได้ปัจจัยเหล่านั้นมาตั้งแล้วมันต้องตั้งอย่างนั้นบ่อยๆเนืองๆประจำประจำเนี่ยแล้วถามว่าเออถ้าเลี้ยงปากท้องตัวก็ไม่ค่อยยากเทไไ่าไหร่ไหมถ้าทําเองก็ไม่น่าบ่นเท่าไหร่ออทาเลี้ยงคนอื่นด้วยสิแล้วคนอื่นเ้าชมเราตลอดทั้งที่ไหนล่ะเนี่ยนะมันก็ถ้ า, เ, าเคยอะไรไหมทําไมแบบคิดถึงขึ้มานึกถึงสมัยเด็กๆโอ้ยคุณแม่กราจะหุงข้าวทํากับข้าววางไว้บนโต๊ะนะ เราก็ไปเล่นที่ไหนสบายมาถึงก็กินนะบ่นอีกแนละ้วกับข้าวไม่อร่อยอย่างเงี้ยนะทำไมไม่มีอันนั้นทําไมไม่มีอันนี้ล่ะแม่ก็บอกเอาแล้วไปทําอะไรมาแล้วไม่ไปหาเองนะเงียบเลยกันนี้ห <c oughs> ลังก็รู้เขาบอกเอาทําไมไม่ไปหามาเองล่ะมาบน่นทําไมเออเขใช่นะเราโมจะไปเล่นแต่พอมาถึงเวลาทานปับ๊บเอ๊ะทาไมอันนั้นไม่มีทําไมอันนี้ไม่มีทานเสร็จก็วางกงผเดินแล้วก็แม่ก็ล้างต่อนะ่แล้วก็เป็นอย่างนั้น พันการการให้ทานเนี่ยจะต้องเจอในลักษณะนั้นอันนั้นแหละที่จะต้องมีความอดทนสูงมากเนี่ยนะจะต้องมีความอดทนถ้าหากว่าคนที่ไม่อดทนเอ่อเดี๋ยวข้างหน้าต่อไปจะมีว่าคนที่มีขันตินี่ดูจากอะไรดูถ้ายังมีการให้ทานรักษาศีลยังเจริญกุศลธรรมต่อไปได้เรียกว่าคนมีความอดทนเพราะถ้าคนที่ไม่มีความอดทนเนี่ยนะเลิกเลยทำอะไว่าครั้งเดียวก็สุดซึ้งงั้น สุดซึ่งเนี่ยพูดแบบภาษาไพเราะนะภาษาทูตภาษาชาวบ้านกะ็โกรธมากนะโกรธจริงๆว่างั้นยั่วสุดขีดแล้วกตัดสายสัมพันธ์ทุกสรพัชนิดว่างั้นนะพันการให้ทานนั้นก็ถือว่าที่จะให้ได้อย่างต่อเนื่องอย่างแบบพระโพธิสัตว์ท่านทำเนี่ยไม่ใช่ให้ชาติเดียวให้ชาติเดียวนะเราก็ว่าโหมันยังทุกข์มากแล้วท่านให้กี่สิบชาติกี่ร้อยชาติกี่หมื่นชาติกี่ล้านชาติ ถ้าให้ครั้งเดียวมันก็ชาติเดียวเออก็ยังพอสู้ทนแต่นี้ให้เป็นอสงไขยอสงไขยเนี่ยนะให้กันจริงๆอ่ ะ, ะเพราะแล้วถามว่าเจอคนที่ให้แล้วคนมาคนที่ให้เสร็จเนี่ยเขาขอบคุณไหมอย่างที่ว่าทําไม่อร่อยก็บ่นอีกอันนี้นี่อย่างดีนะทำไม่อร่อยอยังบ่นแต่มีเจอนักปว่านั้นอีกเนี่ยนะกินเสร็จแล้วก็ทุบหม้อทุบไผ่ทิ้งเลยด้วยซ้ําไปเจอคนประเภทนั้นอีกทําไง ตรงนี้ที่จะต้องมีความอดทนแล้วก็อดทนต่อสังขารเนี่ยต่อสังขารนนีนหมายความว่าเช่นจะให้ทานเนี่ยไปให้บางแห่งเนี่ยร้อนก็ร้อนหนาวก็หนาวเย็นก็เย็นเนี่ยนะท่านเจออุตุเป็นต้นที่ไม่ส ป, ปายะเป็นต้นเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะให้กันได้ง่ายๆรักษาศีลก็เหมือนกันอุปสรรคในการรักษาศีลนี่มันเยอะ ถ้ารักษาว่าตานาติปาตาแค่สมาทานให้จบเสร็จแล้วก็จบแล้วก็จบเลยหุบบาปศีลก็จบแล้วเนี่ยนะถ้าอย่างนี้ไม่ยากแต่หมายคือว่ารักษากุศลศีลเหล่านั้นให้บ่อยให้ยาวต่อเนื่องเป็นไปได้นานถ้าอย่างนี้ยากนะ น, นะโดยเฉพาะวารีศีลก็ยากแล้วต้องทําจารีตศีลอีกภาระเหล่านั้นก็ถือว่ายากไปกว่านั้นอีกทั้นเวลานั้นอ่ะอย่างที่เขาบอกว่าหลายคนก็าบอกโอ๊้อยากจะ ทำวารีศีลแล้วเกินอยากจะสงเคราะห์มารดาบิดาแต่ก็ไม่ใช่แม่พ่อแม่ก็ไม่ใช่ตุ๊กตาที่จะแบบไปคุยอะไรก็ง่ายหมดะนะอะไรก็ง่ายไปหมดสะดวกใจไปหมดบอกไม่หรอกนีนะนะท่านก็มีจิตวิญญาณทีนี้ปัญหาว่าอาคุศลวิญญาณท่านเยอะเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นก็อกุศลจิตนะนะใช้อกุศลวิญญาณมันมากขึ้นเลยมันก็สงเคราะห์ไม่ใช่ง่ายๆเหมือนกันมันก็ยากเนี่ยนะแล้วก็ศีลในลักษณะอื่นๆทั้งวจารีตศีลในแง่อื่นๆก็ไม่ใช่จะประพฤติกันง่าย ฉันคนที่จะรักษาศีลนั้นเหล่านั้นให้ยาวให้ต่อเนื่องต้องมีความอดทนสูงมากแล้วก็ศีลแต่ละข้อเนี่ยอย่างบางคนรักษาศีลเนี่ยจะต้องเหนื่อยเพิ่มอย่างชีวิตใช้ชีวิตแบบคนทุศีลไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่คาราว่าใช้ชีวิตเยี่ยงกาเนี่ยนะไม่เหนื่อยคนกล้าพิเยี่ยงกาเนี่ยหมายว่าเข้าได้กับทุกสังคมและสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะถ้าเข้าได้กับสังคมสิ่งแวดล้อมเรียก ว, ว่ากลายร่างเป็นกับสารพัดอย่าง อันนัน้ใช้ชีวิตอย่างนี้เลี้ยงชีวิตไม่ไม่สู้ยากใช่งไหมหมายควาว่าเหมือนกับแบบอะไรคนภาษาไทยคนเลี้ยงง่ายกินง่ายเลี้ยงง่ายไปภาคไหนกินได้หมดนะถ้าเลี้ยงเหล่าก็กินเล่าก็เลี้ยงกัญชาก็สูบกัญชาก็เลี้ยงอะไรสูดเลี้ยงยาบ้าก็ถ้าเจอสังคมแบบไหนถ้ารับเลี้ยงถ้าแบบนั้นอยู่ไม่ยากแต่ก็ตายง่ายนะก็ไม่ได้แปลว่าอยู่อยู่สบายอยาอายุยืนนะันไม่ได้แปลว่าอย่างนั้นแต่หมายความว่าดูเหมือนอยู่ง่ายแต่จริงๆแล้ว รวมๆแล้วก็ถือว่าอยู่ยากมันคนที่ยิ่งประกอบสัมมาอาชีพเนี่ยนะอาบเหงื่อต่างน้ําทั้งนั้นเพราะสัมมาอาชีพนี่เนื่องด้วยศีลใช่ไหมเป็นกุศลศีลมันก็อาบเหงื่อต่างน้ําด้วยความอดด้วยความทนด้วยความเหน็ดเหนื่อยอากาศร้อนเป็นต้นเนี่ยนะเพราอาชีพแต่ละอาชีพนี่ก็อย่างที่บอกว่าไม่มีอะไรที่มันแหม กูพรมต้อนรับเชื้อเชิญน อ, อกเว้นแต่ผลบุญเท่านั้นน่ะแต่ถ้าเป็นแบบรวมๆทั่วไปถ้าอาหารทุกชนิดเนี่ยได้มาด้วยหยาดเหงื่อทั้งนั้นแหะทุกช่วยทุกชามทุกทุกภาชนะทุกชิ้นเนี่ยนะผ่านหยาดเหงื่ออะไรอย่างที่เราเห็นเนเนี่ยสมบัติที่เราเห็นเนี่ยผ่านเหงื่อมาทั้งนั้นผ่านเหงื่อผ่านเลือดแล้วก็ผ่านน้าตามาทั้งนั้นกว่า จ, จะแปรสภาพมาอย่างที่เราเห็นเนเนี่ยนะจางเซโเห็นกุหลาบงามเหลือเกิน นายมาลาการ์เอามาจัดเรียบร้อยดีถามว่ากุหลาบเนี่ยกว่าจะพ่อปลูกมาสําเร็จได้ขนาดนี้ผ่านเหงื่อผ่านเลือดและผ่านน้าตามาเท่าไหร่กว่าจะได้มาเป็นดอกกุหลาบอย่างนี้ทุกอย่างเลยเนะแม้กระทั่งไฟหนังสือหนังหาตํำรับตําราที่นั่งผ้าผ่อนเครื่องนุ่งหม่มทุกชนิดที่เราใช้สอยเนี่ยผ่านคราบเลือดคราบเหงื่อคราบน้ําตามาทั้งนั้นกว่าจะสําเร็จมาเป็นแต่ละสิ่งแต่ละสิ่งได้นั้นะคนที่ยังเจริญกุศลไม่ว่าจะเป็นการรักษาศีลเนี่ย จะต้องมีความอดทนในสัตว์และสังขารอย่างสูงมากหรือแม้กระทั่งคนที่เจริญเนคขมมะเจริญกุศลธรรมเพื่อจะออกจับพบก็เหมือนกันต้องมีความอดทนสูงมากเพราะว่าไม่ใช่ว่าทุกคนเขาจะมาอวยชัยให้พรขอให้ทุกท่านเดินทางเพื่อสู่พรหมโลกขอให้ประพฤติ ด, ดีปฏิบัติชอบแสดงความยินดีด้วยนะมุทิตาด้วยอะไรด้วยบอกไม่ไอแค่นั้นแหละเนี่ ย, ยก็ดูเหมิ่นเหยียดยามดูแคลนกันด่ากัน ขุดมากลวนกันเท่าที่จะทําได้อันนั้นแหละเป็นลักษณะของต้องอดกลัน้นและการออกจากภพนี่ก็ต้องอดกลัน้นมีความอดทนสูงมากเนี่ยนะก็เหมือนอย่างว่าแต่จริงเขามาว่าโดยอัธยาศัยก็เชื่อว่าการทนอยู่ในภพเนี่ยมันทุกกว่าออกจากภพอีกเแปลว่าการเดินเพื่อออกจากภพยังจะมอพอมองเห็นทางบ้างแต่เดินเพื่อเพื่อไปอยู่ในในกองทุกนี่สิแม่ไม่รู้จะจบสิ้นเมื่อไหรที่ใดอย่างไรเนี่ยมองไม่เห็นเลย